เมื่อฟังจะเป็นประมาณว่าฟังเมื่อทราบจะเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจะเป็นประมาณว่ารู้แจ้งสักว่านี่ไม่ดีเห็นไหมถ้าใครเอาไปปฏิบัติตามอะไรก็สักแต่ว่าหมดเบื่อร้อนแน่ในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเห็นไหมบทว่ามัตตาแปลว่าประมาณเราต้องแปลว่าประมาณถ้าแปลว่าสักว่าจะอธิบายลําบาก เจิพรใช่คืออ้างหลักฐานให้รู้ว่าแปลว่าศักว์ว่านี่แปลไม่ถูกให้แปลว่าประมาณไม่ต้องแก้เจิญพรให้ให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างเจิพรออในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบนี้ตกไปคำหนึ่งนะนับลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับลงหบรรทัดนะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเธอจะเป็นผู้กำหนดในเอ่อ เธอจับเป็นผู้กำหนัดเพราะราคะนั้นเนี่ยตกไปคำหนึ่งคือเธอจับเป็นผู้ไม่กำหนัดเป็นผู้ไม่กำหนัดนะมันหายไปคำหนึ่งเธอจับเป็นผู้ไม่กำหนัดเพราะราคะนั้นไม่ขัดเครืองเพราะโทสะนั้นไม่ลุ่มหลงเพราะโมหานั้นอันนี้ต้องแต่เพิ่มอันเดียวก็ได้นะไม่กำหนัดเพราะราคะขัดเครืองเพราะโทสะก็คือไม่ปฏิเสธตัวหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว